นะมันก็เป็นสมมตนะุตินะแต่ก็เป็นสมมติที่ดีนะสมมุติให้เราได้มีวันพระได้รึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์มากขึ้นนะสาหรับคนที่ห่างไกลกับวัดห่างไกลกับพระนะห่างไกลกับพระศาสนาการมีสมมุติก็ช่วยให้เราได้เข้าใกล้มากขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ไม่ติดเพียงแค่สมมติ ที่เขาสมมุติให้ตรงนี้เนาะเราทำทุกวันให้เป็นวันที่เรียกว่าเราเข้าใกล้พระรันตนตไตเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดนะวันไหนไหนก็ดีเวลาไหนก็ดีเป็นเวลาที่เราได้พยายามอยู่กับพระรันตนตรให้มากที่สุดนะเราลกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เราเลืกในที่นี้ไม่ใช่คิดนะแต่แเราก็คือการกลับมาดู พระพุทธพระธรรมประสงค์ในใจของเราเนี่ยแหละไม่เป็นแบบไหนส ภ, ภาวะด้วยตื่นเบิกบานในใจของเรามีหรือเปล่านะส ภ, ภาวะทำที่ดับความทุกข์นะมันมีหรือเปล่าหรือว่าใจเรายังทุกอยู่ยังร้อนอยู่นะการดับทุกข์ก็คือการทําให้จิตใจมันเย็นทําให้จิตใจมันสงบทําให้จิตใจมันเรียกว่าไม่มีปัญหา เราทำได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็พยายามฝึกหัดฝึกฝนตัวเองให้เข้าถึงตรงนี้นะเราก็จะได้กลายเป็นพระสงฆ์ทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะสำหรับเป็นพระสงฆ์ได้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงอันเนี้ยเราสามารถเป็นได้ เราจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเราเองแลวอ้อนี่แหละพระตาไคร้ไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในใจของเราเนี่ยแหละสามารถทำได้นะแต่จริงมันก็พูดโดยสมมุติว่ามันเป็นใจของเรานะแต่มันก็เป็นการฝึกฝนจิตใจดวงนี้ให้มันมีธรรมะมากขึ้นนะแต่ที่จริงมันก็จะกลับมาเห็นว่าที่จริงไม่แต่กายในี้ใจนี้มันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบกันตั้งขึ้นว่าเออ มันเป็นการประกอบของรูปแล้วก็นามนี้เท่านั้นมันเห็นว่าธรรมชาติที่แท้จริงมันก็มีแค่รูปกับนามนี้เท่านั้นและรูปกับนามนี้มันก็เป็นเพียงแค่การแสดงอาการของเขาเขาแสดงอาการให้เราเห็นที่เรามาฝึกฝนที่เรามาหัดมาหัดมาสังเกตดูรูปดูนามนี้นะไม่ใช่มาหัดเพื่อจัดการรูปนามนี้ให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการ เรามาฝึกเพื่อสังเกตดูอาการของเขาไม่ใช่มาจัดการเขานะถ้าเราจับหลักนี้ได้นะมาเป็นเพียงแค่การสังเกตไม่ใช่ไปจัดการเขาั้งเมืไรที่เราอยากจะไปจัดการกับอาการของลูกกับอาการของนามนี้นะเออ ม, มันจะเกิดได้ว่าใจมันมันก็ร้อนละมันก็ร้อนเพราะอยากจะไปจัดการเราอยากจะไปจัดการสิ่งภายนอกเราก็ร้อนเราก็เหนื่อยละนะจัดการ ภายในใจของเราเองโดยอาการชอบก็ดีอาการไม่ชอบก็ดีนะมันก็เหนื่อยมันก็ร้อนเช่นเดียวกันนะันะ่เราให้มาดูอาการใจที่บางทีมันหยับไปจัดการให้เป็นอย่างที่เราต้องการอยากจัดการกายให้มันไม่ปวดไม่เมือ่อยนะบางคนคิดว่าปฏิบททัติธรรมต้องทำให้ได้นานๆ น, นะเดินานานๆ น, นั่งนานๆบางคนไปกำหนดเวลา ตายตัวไปเลยนะต้องนั่งให้ได้สองสามชั่วโมงเดินให้ได้แบบนี้นะถ้าทำไม่ได้แบบนี้ถือว่าล้มเหลวใช่หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะที่จริงก็ล้มเหลวแต่ตอนที่อยากไปททำแบบนั้นนั่นแหละนะนะเพราะว่าอะไรมันวางใจไว้ผิดนะที่อยากจะให้มันเรียกว่าเป็นอย่างที่เราต้องการนะเราก็ดูดูอาการความอยากดูอาการความไม่อยาก ที่มันเกิดขึ้นตัวการความชอบตัวการความไิ่ชอบที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนี่แหละนะแล้วก็ดูอาการของกายที่มันแสดงแสดงตัวตนต่างๆเรามาดูมันมาเป็นผู้สังเกตการการทํางานของกายการทํางานของใจมาเป็นผู้สังเกตถ้าเรากลายเป็นผู้สังเกตกลายเป็นผู้ดูนะมันจะรู้อย่างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อไรที่เรารู้สึก ถึงกายถึงใจนี้ยังไม่มีส่วนได้สื่อมเสียรู้สึกว่ากายและใจมันแสดงธรมนะงธรมชาติของเขาเฉยเฉยแสดงธรรมชาติของเขาเฉยเฉยไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่อาการที่เคลื่อนที่ไหวที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เป็นอย่างเพราะใจเราต้องการ ถ้าเราเห็นอาการของกายเป็นแบบนั้นเราจะยอมรับกายได้นะแม้มันจะสุขบ้างทุกบ้างนะแต่จริงสุขก็เป็นบราษาสมมุติที่จริงมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นเนอะนั่งตอนนี้อาจจะไม่ทุกมากเพราะเวทนาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะมันก็เป็นเพียงแค่ Hungarian อาการที่เรียกว่าทุกน้อยเท่านั้นนะเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะตายไปมันก็ทุกมากขึ้นนะมันก็มีแต่าการที่ว่าทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้น เรามาให้เห็นสาภาวะความเป็นทุกข์ของรูปของนามนี้จิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกสตินะหลังที่เราก็จะรู้สึกบางทีทำไมมันคิดมากทำไมมันฟุ้งซ่านทำไมมันไม่สงบนะมันมีแต่ทำไมทาไมแล้วก็ใจก็ร้อนหลนใจก็เรียกว่ากรบกระวายใจก็อยากจะไปจัดการมันแต่ถ้าเราไม่ต้องไปถามว่าทำไม แค่ดูมันไปเฉยๆดูมันฟุ้งซ่านดูมันไม่สงบดูมันดําคารดูมันดังเลสงสัยถ้าเราไม่ทำไม่นะแค่ดูมันไปเรื่อยๆจิตใจมันเบาสบายไปนะเบาสบายถ้าจิตใจมันมีแต่คำถามแล้วก็อยากจะไปจัดการภาวะต่างๆมันทั้งเรียกว่ามันมันทุกข์สองต่อนะอาการเกิดขึ้นแล้วก็ยังไปจับอาการนั้นอยู่ ยังไปสงสัยยังไปอยากหาคำตอบแต่ถ้าเรามันปล่อยมันไปเลยนะปล่อยไปคิดก็คิดไปหน้าที่ของจิตที่มันมีกีเดสอยู่มันก็คิดเป็นธรรมชาติหน้าที่ของการฝึกสติก็แค่สังเกตดูอาการของความคิดนะมันคิดไปแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าเออถ้าเราไม่ไปปรุงต่อไม่ไม่ไปชอบไม่ชอบต่อมันก็ความคิดมันก็หายไป อาการที่มันอาจจะไม่ใช่เรียกว่าความคิดมันเป็นแค่ความรู้สึกเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นเฉยๆก็ดีถ้าเราแค่รู้สึกเฉยๆหมายถึงว่ารู้สึกซื่อๆเฉยๆนะอาการความสุขความทุกข์ความเฉยๆนั้นมันก็มันก็อยู่ของมันหรือมันก็ดับไปของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมันดับไปก็เพราะมีเหตุ นะเรามาสังเกตอาการตรงนี้เนี้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ที่พระอาจารย์สตินพาพวกเราสวดนะธรรมจักรนะกัปตวะตนสูตรเป็นพุทสูตรแรกในพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าท่านบอกชัดเจนเลยนะชีวิตคนเราที่ทุกข์นะเพราะทำเหตุผิดอยู่สองอย่างเหตุอย่างแรกที่ผิดก็คือการไปติดในความสุข เรียกว่าการมาสุขคาในการนโยคนะการติดในความสุขไม่ใช่เพียงแค่การมีชีวิตสนุกสนานในทางโลกเท่านั้นแต่ถ้าในการปฏิบัติการติดสุขนะเช่นติดความสงบติดความสบายติดความเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมติดความรู้ปัญญาที่มันได้เล็กน้อยจากวิปัสสุกก็ดีจากอะไรก็ดีนะ หรือจากการที่ขบธรรมะเข้าใจก็ดีแล้วก็ไปติดไปยึดไปสนุกสนานไปเพลิดเพลินกับอารมณน์นั้นๆมันก็เป็นการติดสุขเช่นเดียวกันฉะนั้นในสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยนี้ก็ดีมีคนที่ต้องการที่จะพ้นทุกข์แต่ก็ไปติดไปแปะแค่อาการของสมถะอาการของวิปัสสนูก็มีก็คือว่าไปติดความปิติบ้างความสบายความเบา แล้วก็พอใจแค่ตรงนั้นเหมืนอนคล้ายๆไม่คล้ายเราเดินทางไปไปเจอ่มเงาต้นไม้ที่ลมรื่นเราก็พักอยู่ตรงนั้นไม่อยากไปไหนต่อคิดว่าตอนเนี้ยสบายละพอลักเอาแค่นี้แหล ะ, ะมันได้แค่ตรงนั้นแต่มันยังไม่ได้ปัญญาอันนี้คือความติดสุขทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะมันติดสุขได้ทั้งหมดแหละเพราะว่ากิเลสมันรอด ถ้ามันไม่ล่อแบบที่มันเรียกว่าเป็นสิ่งหยาบคายเป็นอกุศลเลยมันก็ล่อด้วยความสบายความดีเนี่ยแหละการติดสุขเนี่ยก็สามารถเจอกันได้ทุกคนนะเจอกันได้ทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวเรามันปรากฏให้เห็นเราก็รู้แล้วก็ผ่านมันไปความสบายก็ดีความเบาก็ดีนะมางทีนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปาอาจจะเจอความเบาความสบายความสงบความเพลิน ก็แค่ให้รู้มันจะเฉยแล้วก็เดินทางต่อนะเดินทางต่อคือการรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยเบาก็รู้สึกตัวเพลินก็รู้สึกตัวสงบก็รู้สึกตัวมีปัญญานน้อๆเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวไปอย่าไปติดอย่าไขึ้นคิดอย่าไปเสียดายมันนะไม่ต้องเสียดายทางสายนี้นะยิ่งเดินไปยิ่งลื่นลมไปเรื่อยยิ่งมีความสุขไปเรื่อยนะยิ่งคนเดินผ่านทางเนี้ไปเรื่อย จะพบว่าความสุขความสบายความเบามันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่มีเพื่อให้ติดนะมีเพื่อให้ผ่านผ่านไปเรื่อยๆมันคล้ายอ้อมันเป็นป้ายบอกทางว่าความเบาความสบายความทุกข์ที่มันน้อยลงความสุขที่มันมากขึ้นเนี่ยมันเป็นป้ายที่บอกทางว่าเรามาถูกทางแล้วนะมาถูกทางแล้วเนี่ยมันเห็นแล้วเออมาถูกทางแต่ไม่ใช่ไปติดไปพักแค่ตรงนั้นนะน่นคือ ความสุขที่คนไปติดนะหรือไม่แต่ความทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นนะคนไปคิดว่าต้องบําเพ็ญทุกข์ต้องไปทรมานไปคิดว่าต้องนั่งนานๆให้มันจนทั้งมันหายปวดหายเมื่อยต้องผ่านให้มันได้นะบางทีอย่าไปคิดแบบนั้นการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในแนวทางที่หลวงพ่อเทียนท่านวางไว้นะไม่จําเป็นต้องนั่งให้มันทนให้มันนานจนทั้งปวดเมือ่อยเดินก็เหมือนกันทําอะไรก็เหมือนกันนะ เอาแค่พอประมาณนั่งไปแล้วปวดแข้งปวดขารู้ทันอาการปวดขาไม่ปวดจริงๆไม่ใช่ว่าปวดเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันดำคาญความปวดก็เลยต้องการที่จะเปลี่ยนแต่รู้ว่าสภาวะอื่นปวดมันเมื่อยก็เปลี่ยนให้กับกายเพราะกายมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าจิตใจไม่บอกไม่สั่งนะมันก็เปลี่ยนให้กับมันก็แค่นั้นนะก็ดูดูมันก็ปรับเปลี่ยน ไม่ใช่ไปคิดอยากจะทนให้มันชนะการที่เราวางใจที่ไปเรียกว่าตั้งใจว่าจะเอาชนะความปวดความเมื่อยให้มันได้นะใจตอนนั้นก็วางไว้ผิดแล้วนะ เ, ออเพราะว่าใจตรงนีนไ้ไปเป็นใจที่อยากจะไปจัดการอาการของทุกขเวทนาของกายเนะี่ยมันวางไว้ผิดแล้วนะไม่ต้องไปวาดตรงนั้นแต่บางทีมันห้ามไม่ได้มันเกิดอยากจะเอาชนะเกิดใจะจะแข่งขัน เกิดอยากจะลองดูก็ดูมันอ๋อมันคิดอยากจะเอาชนะแล้วเนาะเออก็ดูทันมันเมื่อเราดูทันความคิดตัวเนี้ยความคิดนี้ก็ดับไปก็แค่ดูอาการความปวดความเมื่อยไปพอสมควรก็เปลี่ยนอย่างมีสตินะเปลี่ยนอย่างมีสติเมื่ออาการของกายมันเรียกว่ามันบรเทุกข์ของมันระดับหนึ่งละล้วก็เจริญสติต่อดังนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนก็มีสติรู้ตัว ขณะที่เปลี่ยนก็มีสติรู้ตัวเปลี่ยนแล้วก็จะเินสติต่อแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่สั่ใจอยากจะเอาชนะน่ะความปวดความเมื่อยเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่ต้ น, นตอนทำไปก็ฝืนก็ทนขมมันไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เกิดความสบายใจเลยหรือว่าเปลี่ยนแล้วเออหรือว่าพอทนไปแล้วมันหายปวดหายเมื่อย ไปยึดว่าเอาตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองชนะมันได้ก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วก็ระหว่างที่ทําแล้วก็ระหว่างที่เกิดผลนะนะเนี่ยแต่ก็เราก็ค่อ ย, อยๆดูอาการของมันไปอันนี้คือการที่อยากจะไปบังคับมันอยากจะไปบังคับนะบอยากจะไปกดข่มอยากจะไปเรียกว่าจัดการเขาอันนี้นแหละเป็นสิ่งที่คนทสมัยก่อนเขาก็ทํากันมาแยอะแ ย, ยะมากมายพระพุทธองค์ก็ทํากันมาเช่นเดียวกัน พวกเราก็เผลอทํากันเช่นเดียวกันแหละแม้จะโชคดีมีคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้านะแต่อาตมาหรือว่าผมก็เชื่อว่ามันก็เผลอไปสุขบ้างเผลอไปทุกข์บ้า ง, างทุกครั้งแหละแม้จะบอกว่าจเจริญสติสตทางสายกลางทางสู่ความพ้นทุกข์สติปัฏฐานสีสตแต่ใจมันไม่เป็นกลางหรอกโยมนะใจมันมีแต่ดินน้นดนไปสุขบ้างไปทุกข์บ้างไปจัดการไปบังคับเข้าบ้าง ไปเสพกับความสุขบ้างมันดิ้นนะมันไม่เคยเดินตรงกลางสักทีเพราะว่าความเข็นผิดนี่นแหละมันบอกให้เรามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยนะอันนั้นไม่ต้องตกใจแค่าบางทีเผลอไปเสพสุขบ้างหรือว่าเผลอไปอากจัดการความทุกข์บ้างนะก็แค่รู้ทันนะหน้าที่ของเราแค่รู้ทันว่าตอนนี้มันเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบ เกิดความอยากเกิด<ม>ความไม่อยากเกิดขึ้นหน้าที่ของเราแค่รู้ทันรู้ทันแล้วก็ไม่ไปกับมันแค่นี้พอนะรู้ทันว่ามันคิดแล้วก็ไม่ต้องไปกับความคิดแค่นี้ไม่ต้องไปอยากจัดการความคิดแค่รู้ทันนะรู้ทันความอยากรู้ทันความคิดแค่นี้พอแล้วการที่เรามีฐานในการปฏิษษษติกับกายที่เคลื่อนไหวเนะี่ยมันเป็นหลักที่สําคัญนะที่ช่วยให้เราไม่ไปกับความคิด การไม่ไปกับความคิดหรือการจะดูความคิดตรงๆมันทำได้ยากนะทำได้อาจจะเหมาะแค่กับบางคนเท่านั้นการที่จะเข้าไปดูความคิดตรงๆมันทำได้ยากแล้วก็เพราะว่าความคิดมันเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นถี่มากการจะไปดูตรงๆดูบ่อยๆโดยไม่มีฐานอะไรสักอย่างมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นการเราที่มีฐานสร้างไว้สักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อให้มันเป็นที่อยู่ เป็นที่ตั้งของตัวสติหรือว่าตัวรู้สึกตัวตรงนี้ยเอามีกายที่เคลื่อนไหวให้เป็นตัวที่คอยดูคอยรู้มันเรื่อยๆกายอะไรก็ได้น่ะยืนเดินนั่งนอนกู้เหยียดเคลื่อนไหวลมหายใจความสำความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายดูมันไปดูอะไรที่เราดูแล้วรู้สึกสบายดูอย่างนั้นหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้มันสบายเลยนะเนี่ยไอ้ที่อาการของกายให้มัน แสดงอาการที่มันสบายๆผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดไม่จริงจังเกินไปลองสังเกตนะสังเกตดูการเดินจงกงก็ดีการยกมือก็ดีมันเกร็งมันเครียดมันเพ่งมันจ้องไหมบางทีมันอาจจะเผลอไปแบบนั้นบ้างก็รู้ทันมันรู้ทันมันก็เปลี่ยนไม่เป็นไรนะมันเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นนะประสบการณ์เออบางทีอ้อแบบนี้มันเกรงมันเครียด มันเพ่งมันจ้อ ง, องก็รู้อ๋อพอเรารู้อาการเป็นแบบนั้นนะต่อไปพอเป็นอาการแบบนั้นอีกเดี๋ยวมันก็รู้ทันมันเร็วนะไม่เรียกว่าไม่ไปเป็นอีกเหมือนคล้ายๆเราไปจับถูกของร้อนนะจับถูกของมีคมของแหลมนะพอไปสัมผัสแล้วมันก็เด้งกลับมาทันทีนะอาการที่เรารู้ทันว่าอันนี้มันคือทุกข์อันนี้คืออาการค ว, ความเครียดความไม่สบายใจ พอเรารู้ทันนะมันก็กลับมาเป็นปกตินะมันก็กลับมาแบบนี้ของมันเมื่อเรารู้ทันอาการที่ผิดรู้ทันทางที่สุดโตงจิตจะกลับมาเป็นปกติของมันนะหรือแม้แต่ความสุขก็ดีนะความสุขนี่บางทีมันติดง่ายกว่าความทุกข์ด้วซ้ความทุกข์นี่บางทีปฏิเสธได้เร็วเพราะมันไม่ชอบปฏิเสธกลับมาได้เร็วแต่ความสุขบางทีรู้ทัน แต่ใจก็ยังประหยัดขอเคลียร์กับมั น, มนก็ไปติดความสุขติดปัญญาต่างๆนะก็ต้องรู้ทันมันบ่อยๆนะรู้ทันอ้ออันนี้ข่มความสุขต้อ ง, องบางทีใหม่ๆอาจจะฝืนใจฝืนใจที่จะละฝืนใจที่จะฆ่ามันไปก่อนแต่พอฝือนใจได้ไบ่อยๆนะฝืนใจหรือว่ามุทีสติมันเกิดขึ้นมากขึ้นสติมันมีกําลังมากขึ้นนะมันก็ออกไปได้ง่ายๆอ้อดูละสุขดูละสงบ รู้แล้วปัญญามันก็ผ่านมันก็ผ่านอาการตรงนั้นไปโดยใจที่ไม่ติดไม่ค้องไม่เสียดายไม่เสียดายไม่กังวลไม่กังวลที่จะไปห่วงไปแบกอาการตรงนั้นนี่เราก็ทำหน้าที่เพียงแค่รู้ทันรู้ทันอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายแล้วก็รู้ทันอาการที่มันเกิดขึ้นกับใจตอนนี้มันจะเป็นทางสายกลางของมันเองนะรู้ทันสิ่งที่ผิดทั้งสองด้าน และใจจะกลับมาเป็นปกติของมันเองดังนั้นการแล้วเราก็ไม่ต้องไปคอยเพราะว่ากังวลว่าจะต้องรักษาความเป็นปกติของจิตตลอดเวลาจิตที่ต้องการที่จะรักษาความเป็นปกติของจิตตลอดเวลามันก็เหนื่อยละมันไม่อยากผิดอะเหมือนคนดีที่ไม่อยากโดนตำหนิไม่อยากโดเรียกว่าไม่อยากทำผิดทำพลาดอะไรเลยนะมันเกรงมันเครียดมากไนะ ดันนั้นไม่ต้องพยายามรักษาความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องนะบางคนคิดว่าต้องทำต่อเนื่องก็เลยเพ่ ง, งก็เลยจ้องกลัวความคิดจะเกิดขึ้นหรือบางทีก็ทำแบบเรียกว่าทรมานกายทรมานใจไปเรื่อยนะความต่อเนื่องนะของการรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าไม่เผลอไม่ใช่ว่าไม่คิดแต่ความต่อเนื่องก็คือว่าพอเผลอไปเมื่อไรพอคิดไปเมื่อไร นะมันรู้ทันได้เร็วรู้ทันได้บ่อยนะหรือบางทีการที่เรามีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆในฐานกายก็ดีถ้าใจมันมีสมาธิมันตั้งมั่นมากขึ้นมันก็จะไม่ค่อยคิดของมันนั่นนั่นก็ดีเป็นอีกแบบหนึง่งก็รู้ไปเรื่อยรู้ไปเพลินเพลินรู้แบบเบาเบารู้แบ บ, บสบายรู้แบบบางทีรู้ชัดบ้างบางทีรู้ไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไรก็มีสติรู้กายไปเรื่อยแต่เมื่อมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้น ก็เป็นธรรมชาติไม่เป็นไรเราก็รู้ทันมันให้เร็วๆก็พอนะรู้คิดเกิดขึ้นก็รู้ทันเมื่อหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็วางมันไปแค่นี้พอนี่แหละการที่มีสติต่อเนื่องคือแบบนี้นะไม่ใช่ไปบังคับให้จิตไม่คิดไม่ใช่ไปบังคับให้มันไม่หลงหรือว่าไปบังคับให้มันรู้ตัวแบบตั้งมาตรฐานไว้ว่ารู้แบบนี้ถึงเรียกว่าชัดรู้แบบนี้เรียกว่าไม่ชัดอะไรแบบนะี้ ไปเอามาตรฐานไปเอาวางกฎเกณฑ์ไปวางเงื่อนไขกับจิตใจตัวเองเนี่ยนะ น, นั่นไม่เอาแบบนั้นเนาะก็แค่รู้ทันอาการที่เกิดขึ้นจะกายก็ดีจะใจก็ดีเขาแสดงสภาวะอะไรในปัจจุบันรู้ทันที่ปัจจุบันนั่นแหละคือการรู้สึกตัวต่อเนื่องคือแบบนั้นรู้ลงที่ปัจจุบันจริงๆปัจจุบันเขาแสดงอาการไหนรู้เช่นนั้น อาการที่มันเป็นปกติอาการที่ไม่ปกติรู้รลรงที่ปัจจุบันอันนั้นคือการรู้สึกตัวต่อเนื่องถ้าเราทำแบบนี้ได้ไบ่อยนะรู้ที่ปัจจุบันไม่ไปพระบุญไม่ไปกังวลถึงอนาคตไม่ไปคิดถึงอดีตนะหรือไปคิดไปแล้วอดีตอนาคตก็ดีก็กลับมารู้ที่ปัจจุบันหรือปัจจุบันตากระทบรูปหูได้ยินเสียง จมูกได้กินดิ้นกระลังทานอาหารคือ น, น้ําลายอะไรต่างๆกายกระทบกับความหนาวความร้อนกระทบกับยุงกระทบกับอะไรต่างๆนะหรือแม้แต่สภาวะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจมันกระทบมันสัมผัสนะมันไปเรียกว่าเป็นสัมผัสอาการต่างๆภายนอกเหลื อ, อาการภายในเรารู้ทันมันไหมนะี่ยตอนนี้เป็นสภาวะที่สําคัญมากนะการ สิ่งต่างๆมากระทบสัมผัสทางกายทางใจถ้าเราคอยมีสติรู้ทันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวแว บ, บหนึ่งตามันไปหาเรื่องไปหาเรื่องเห็นนั่นเห็นนี่นะเห็นต้นไม้เห็นผู้คนเห็นอะไรต่างมันแว บ, บส่งไปหาเขาเลยตรงไปหาหรือหูได้ยินเสียงเสียงเพราะก็ดีเสียงไม่เพราะก็ดีมันมักจะเก็บมาคิดเก็บมาปรุงต่อ มันไม่คืนมันไม่วางทําไมเขาพูดกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเขาไม่พูดดีกับเรานี่แต่ทําไมทําไมแต่ไม่เคยกลับมาดูใจตัวเองใจมันทุกข์เพราะว่าคําว่าทําไมนี่แหละอยากจะไปเปลี่ยนคนอื่นให้พูดอย่างที่เราต้องการอยากให้คนทุกคนไปในวัดนี้ต้องพูดเพราะเพราะต้องพูดดีๆแค่คิดแค่นี้ก็ผิดแล้วนะอืมแต่เราต้องมาเปลี่ยนตัวเองทำอย่างไรใจถึงจะไม่ทุกข์ร้อนเพราะคําพูด การกระทำของคนอื่นเนะี่ยมันจะกลับมาแก้ที่ตัวเราเองการปฏิบัติธรรมคือการกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองแก้ไขแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองไม่ให้ไปทำผิดกับคนอื่นด้วยนะคนอื่นเ้าอาจจะพูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเรามันห้าไม่ได้หรอกนะมันห้าไม่ได้เขาทุกข์เาร้อนเขาเคยทาแบบนั้นเขาไม่รู้ตัวเขาก็ทำแบบนั้นมีแต่ความกรงตามีแต่ความเมตตามีแต่อยากให้อภยัยช่วยเหลือแก้ไขกันไป แต่เราจะกลับมาดูแล่ใจของเราก่อนให้ไม่ทุกข์ให้ไม่ร้อนเพราะคาพูดเพราะกรารกระทำของคนอื่นมันจะกลับมาเริ่มต้นที่ตัวของเราเองแล้วถ้ามันจะเป็นเหตุปัจจัยช่วยคนอื่นได้ไดก็ค่อยทำกันไปทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเนาะนีะน่เราก็คอยสังเกตดูการกระทบสัมผัสต่างๆนะไม่เป็นของจริงซึ่งเราพยายามดูให้มันทันทานอาหารก็เช่นเดียวกันเน รสชาติอาหารความชอบกับไม่ชอบที่เกิดขึ้นรู้ทันมันไหมเนี่ยเราสัมผัสได้เลยนะดูสัมผัสรู้ยุงกัดสังเกตดูช่วงนี้ยุงเยอะนะอยู่ในป่าอยู่ในเต็นต์นะจิตใจเป็นอย่างไงลำคาญใจหรือว่าเฉยเฉยเป็นปกติเกิดโทสะกับยุงไหมเกิดโทสะกับสภาวแวดล้อมหรือเปล่าเนี่ยลองสังเกตดูสังเกตพอกายกระทบสัมผัสกับอะไรต่างๆนะ มันส่งมาถึงใจทันทีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งมาส่งมาหาใจเท่านั้นนะเราก็คอยรู้ทันแต่ไม่ใช่บอกว่าต้องรู้ทันที่ใจตลอดเวลาเรารู้อะไรก็ได้รู้แค่กายแล้วมันเฉยแค่ตรงนั้นก็พอแค่นั้นก็ได้หรือว่าพอมันส่งมาถึงใจใจไปปรุงไปชอบไม่ชอบไปปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ทันมันต่อก็ได้เช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะ ต, ต้องรู้เหมือนกันแต่ให้เราดูว่า เราดูอะไรชัดดูอะไรเด่นดูอะไรต้องมาถบายเราก็ดูมาตรงนั้นในแต่ละขณะในแต่ละขณะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปกระเกณฑ์ว่าทุกขณะในชีวิตตลอดเวลามันจะต้องรู้เหมือนกันนะมันก็รู้อะไรก็แล้วแต่ในฟางสภาวะมันรู้กายเด่นก็รู้กายไปอนะกายบางทีมันเคลื่อนไหวมือมันเดินจงกรมแต่บางทีมันก็ไม่ได้รู้ตลอดเวลาบางทีลมหายใจเข้าออก ขึ้นมามันก็รู้ของมันไปโดยธรรมชาติบางทีมันเดินจนกลมไปลมกระทบสัมผัสมันเด่นขึ้นมาแทนมันก็ไม่มันก็ลืมที่จะดูการกระทบสัมผัสการเคลื่อนของของเท้าการยืนการเดินนะมันก็ไปรู้ถึงลมที่กระทบสัมผัสขึ้นมาแทนหรือบางทีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นแม้กายจะเคลื่อนไหวห ล, ห, ลหลายอย่างคล้องกัน เคลื่อนไหวมือด้วยรมหายใจก็ยังเข้าออกด้วยแต่มันก็ไม่รู้มันไปรู้ของความคิดรู้อาการของจิตก็ปล่อยมันรู้ไปจะไปบังคับมันทำไมนะเมื่อไรที่เราอยากไปบังคับจิตบังคับสตินะเมื่อนั้นเราก็ผิดแล้วนะนะไม่บังคับสติมันก็เป็นธรรมชาติมันจะไปรู้อะไรก็เรื่องของมันว่าแต่ขอให้มันรู้ที่กายที่ใจนี้ก็พอเมืม่อมาเผลอ เมื่อจิตมันเผลอไปออกจากกายจากใจนี้นก็มีสติรู้ทันมันแค่นี้ก็พอละสติก็บังคับไม่ได้นะมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันเป็นอาการที่มันจะไปรู้ตัวไหนรู้อะไรก็เป็นเรื่องของมันเนี่ยเรากลับมาเห็นอาการตัวนี้ยเห็นทุกสภาวะธรรมไม่ว่ากุศลก็ดีอกุศลก็ดีมันเป็นสภาวะธรรมที่ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นมันเป็นสภาวะวัฏธรรมที่มันตกอยู่ในกฎของธรรมชาติเช่นเดียวกันตกอยู่ในกฎของความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์นะที่แท้จริงในภาษาพระพุทธเจ้าคือการที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นะบางทีไม่ใช่วป็ทุกข์ขนาดที่ต้องร้องไห้เสียใจทรมานใจนะแต่ทุกข์คืออาการที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้มาดูเลยอะไรก็ยุต อะไรก็แล้วแต่มันไม่อยู่ในสภาวะเดิมอันเนี้ยคือความเป็นทุกข์จากกายใจนี้ก็เหมือนกันนะมันอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้อันเนี้ยคือมันเป็นทุกข์มาเห็นทุกข์ก็คือเห็นตรงนี้หายใจเข้าแล้วมันทนไม่ให้มันหายใจออกได้ไหมก็ไม่ได้อออันนี้แหละนั่งแล้วมันทนอยู่ในสภาวะเดิมนั่งไม่ขยับขยื่อนได้ไหมมันก็ไม่ได้จิตใจก็เช่นเดียวกันมันคิดแล้วมันก็ยังทุกข์นะ มันคิดแล้วมันก็ยังวรุงต่อนะเหมือนภาพที่มันเหมือนมันจะมาเปรียบเทียบเหมือนกับโทรทัศน์นะนะมันก็ฉายเรื่องราวของมันไปเรื่อยๆเราไม่สามารถพอดหรือหยุดที่มันดูนิ่งๆได้ไม่ได้นะไม่เหมือนวิดีโอนีมันก็ฉายของมันไปเรื่อยความคิดก็เหมือนกันเราไม่สามารถไปหยุดมันได้นะแต่เราแค่แค่รู้ทันมันเฉยๆนะมันก็ตัดไปดับไปนะนั้นเราไม่ต้องไปบังคับจิตใจให้มันไป หยุดไปจัดการอารมณ์อะไรต่างๆก็แค่รู้ทันมันแค่นี้ก็พอละนะนีะ่นนนคือสภาวะที่มันทุกข์คือมันทนอยู่ในอาการเดินไม่ได้ก็ดูไปดูทุกข์ของกายดูทุกข์ของใจใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละมันแสดงอาการเพราะว่ามันทุกข์มันก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนะเพราะมันปวดมันเมื่อยของกายมันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนหายใจเข้าหายใจออกเย็นเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหว เพื่อปรับเปลี่ยนความทุกข์ของกายทั้งนั้นนะกินข้าวถ่ายออกไปดื่มน้ําปัสสาวะออกไปอย่างี้มันก็เป็นอาการที่มันเข้าแล้วก็ออกเปลี่ยนไปของมันท่านั้นมันบรรเทาทุกข์นะมันเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์แล้วก็เห็นนะถึงต่างๆนั้นมันเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยมันมีเหตุมันมีปัจจัยเพราะตากระทบรูปนะเพราะกระทบแล้วนะมันมีสัญญาไปจํำว่ารูปนี้ มันคือรูปที่สวยวก็เลยเกิดเป็นความชอบนะแล้วก็พอความชอบมันก็มีความอยากนะอยากให้ความชอบนี้มันอยู่นานๆอยากมันเป็นของเราอยากยึดไว้นะ่ะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้นนะเพราะว่ามันมีพอหูได้ยินเสียงมันจำได้ละเสียงนี้เราไม่คนนี้เสียงแบบนี้พูดขึ้นมาเราไม่ชอบคำพูดแบบนี้ มันไม่ชอบมันไม่ถูกใจไปยึดไม่ชอบไม่ถูกใจก็เกิดเป็นความทุกข์ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เป็นความคิดต่ออยู่ที่ไปจัดการเขาไม่อยากให้เขาพูดแบบนี้อยากให้เขาเข้าใจเรามากกว่านี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเป็นความทุกข์ใจเนี่ยถ้าเรารู้ทันะอ๋อมันเป็นเพียงแค่เหตุเป็นปัจจัย <c oughs> เป็นเพราะความสําคัญผิด <c oughs> เป็นเพราะความอยาก <c oughs> ความไม่อยากเป็นเพราะความชอบความไม่ชอบในใจของเรานเองมันเลยก่อไปเกิดเป็นความทุกข์ แต่ก็เห็นว่าความคิดต่างๆความชอบความชังความอยากความไม่อยากมาเป็นอาการที่บังคับไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อมันกระทบไปแล้วมันรู้สึกทันทีเพราะว่าจิตมันยังไม่ได้ว่ามันยังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งแต่คับเป็นจริงก็แค่รู้ทันอาการของมันเมื่อรู้ทันอาการความชอบความไม่ชอบความอยากความไม่อยากแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นนะหยุดแค่ปัจจัที่กระทบก็ดีหรือหยุดหยุดตรงที่ สังขารมีปุงแต่งก็ดีมือระหยุดตรงที่อุปทานการยึดมั่นถือมั่นก็ดีหยุดตรงไหนก็ได้นะรู้ทันตรงไหนมันก็หยุดตรงนั้นสติมันไปรู้ทันตรงไหนมันก็ไปหยุดอาการตรงนั้นแหละแค่นี้ก็พอละไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องกังวลว่าทำไมมันถึงคิดทำไมมันถึงทุกข์ทำไมมันถึงยึดรู้ทันตรงไหนมันก็วางตรงนั้นนะการฝึกสติมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่า ถ้เราทําแบบสบายๆทําแบบเรียกว่าทำโดยความสนุกสนานทำเป็นแบบเป็นผู้สังเกตการอาการต่า ง, างๆได้เลยนะมันจะทําได้ทั้งวันทั้งคืนนะมันจะทําได้เรื่อยๆอิยาบทไหนก็ดีในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีแล้วก็ดูอาการสังเกตอาการเข้ามาไปเรื่อยๆมันจะมีความเบามีความสบายมีความเพลินมีความสนุกสนานไปเรื่อยๆนะ แต่การตัวนี้ก็ไม่ใช่มาเกิดให้มันติดนะน ะ, นะแต่บางทีก็อย่าไปคิดว่าพอมีอาการแบบนี้แล้วมันจะต้องดีขึ้ น, นเรื่อยๆนะมันจะต้องดูแบบนี้นะบางวันมันก็แสดงอาการให้เห็นเลยว่าวันนี้มันปฏิบัติดีๆนะวันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่น ะ, นะ <c oughs> จะไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะต้องดีแบบตอนนี้อีกอ่อหมายคือค้นหานะบางทีบางคนเคยเจอาภาวะอาการแบบไหนบางทีมันไปตั้งเป้าเหมืนนั้นเลยนะอืม คือนั่งแล้ว ม, มันได้สงบแบบนี้มันรู้สึกตัวแบบนี้ตัวนี้จะนั่งแล้วก็จะเอาแบบเดิมนี่แหละเดินก็เหมือนกันบางคนเนะ่ยเนี่ยพวกเราบางทีนะไปฏิบัติที่วัดเนี่โอ้มันสบายสบายมันดีไปปฏิบัติที่บ้านก็อยากจะไปตั้งเป้าแบบนั้นไปวัดไหนพระนักไหนก็ไปตั้งเป้ามาตรฐานของตัวเองนะเนี่ยคอยรู้ทันมนันนะบางทีอีกความทุกข์ความเงื่อนไขที่เรารเกิดจากเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นเองนี่แหละ ดังนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเองนะเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่ครับไม่ต้องเปรียบเทียบอี่าละไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตัเองด้วยแค่รู้ทันอาการตงปัจจุบันก็พอปัจจุบันมันแสดงอาการไหนก็รู้มันอย่างนั้นนั่นแหละอันนี้นดีที่สุดนะพระเจ้าสอนให้เรารู้ทุกนะรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้ง ท, <ช>ทุกมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจนี้อันนั้นมันไม่ผิดถ้าเราจะรู้ทุก นะทุกมากทกน้อยทุกแบบไหนไ<ม>ก็ดูมันไ ป, ร, ไปรู้ทุกอย่างแจำแจ้งมันจะรู้ว่าอะไรคือเหตุของความทุกข์กนะิเลสตัณหาอุปาท า, านความอยากความไม่อยากนี่เองแหละมันคือเหตุที่เกิดทุกเกิดที่เกิดทุกที่จริงเมื่อรู้ๆๆๆทุกอย่างจำแจ้งนะมันก็ละเหตุทันทีเพราะอะไรมันไม่ไปปรุงต่อความอยากความไม่อยากมันก็หยุดแล้วก็เป็นหมันแค่ตรงนั้นมันก็เป็นหมันแค่ตรงนั้นมันก็ดับทันที ความทุกข์มันก็ดับไปทันทีที่จริงมันเป็นวิธีการที่มันจะเดินขึ้นพร้อมกันอริยรสัจสี่ที่พระองค์ทรัสสอนในธรรมจักรนะท่านก็สอนตอเนี้ยออที่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่แยกสภาวะอาการหรือแยกปฏิกิริยาของจิตแตกต่างกันไปก็แค่นั้นนะแต่จริงแค่ด้วยทุกอย่างแจ่มแจ้งมันก็สามารถเข้าถึงความไม่ทุกข์ได้แล้วนะนะี่คือการจเจริญอริยามรรค มีองค์แปดหรือว่าการเดินตามของอริยสัจสี่ซึ่งการจะเดินสติปัฐานสี่นี่แหละมันมันได้หมดนะดัง น, น, นั้นไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปดังเลอะไรมาทีคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบหมื่นสี่พันเรื่องหลายเรื่องหลายราวมากมายเลยนะแต่ถ้าเราเจะเดินทำหมวดไหนนะที่เป็นหมวดที่เรียกว่าไปสู่ความไม่ทุกข์ทางแท้จริงเนี่ยนะมันครบองค์ทั้งหมดนั่นแหละนะนะมันครบองค์ทั้งหมดจะเดิน จะเจริญอะไรก็ได้นะแต่มันก็ครบองค์ทั้งหมดนั่นแหละมันเริ่มต้นอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่จริงมันไปสุดท้ายปลายทางที่เดียวกันอาจจะเรียกชื่อต่างกันไปเพราะว่าบางทีพระองค์ท่านเน้นแตกต่างกันไปนะแต่จริงมันก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกันเหมือนเรากินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้ากินขนมปังกินอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็กินไปเพื่อให้มันอิ่มอ่าเพื่อมันบรรบัดความทุกข์ของกาย การเจริญภาวนาก็เช่นเดียวกันจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็ดีสำนักไหนก็ดีถ้ามันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อพระนิพพานถึงจุดหมายปลายทางที่เดียวกันไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปโต้แย้งกันว่าอันไหนดีกว่ากันเราแค่ดูตัวของเราเองก็พอเราเจริญเช่นไรเราทำเช่นไรแล้วมันเบามันสบายมันไม่ทุกข์อันนั้นน่ะก็ มาตรฐานที่เราพยายามที่จะดูแล้วก็กลับมาฝึกฝนตัวเองให้มันเข้าถึงควมไม่ทุกนาะก็ขอว่าควรได้ไดตั้งใจที่มาใหม่ก็ดีที่อยู่เก่าก็ดีนะอาศัยความตั้งใจนะอาศัยความเพียรทําเรื่อยๆทําเรื่อยๆไมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้หยุดไม่ให้พักนะพักได้หยุดได้แต่ขณะที่หยุดก็ไม่ใช่ไปคุ ก, กับอารมณ์นะก็ดูมันไป ทำทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบบางทีมันนอนไม่ต้องไปหาเรื่องมาคิดนอนก็ดูลมหายใจไปนอนพิกมือกระดิกเท้าไปอะไรก็ได้แบบเนี้ยในบางครั้งที่มันเหนื่อยถ้ามันไม่เหนื่อยเราก็เดินปฏิบัติในรูปแบบของเราเนาะเนี่ยก็คือทำความเพียรไปเรื่อยๆนะเราก็จะเข้าใจร่างกายแล้วก็จิตใจนี้มันก็จะเกิดปัญญาพาให้มันออกจากความทุกข์ได้นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าถึง ความไม่ทุกนะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตการด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถินกราพระ